เป็นไงบ้างเราเ็นมานเผลอเราไอยรู้ไวๆเราห้ามไม่ให้เผลอไม่ได้จิตมันจะเผลอนะห้ามไม่ได้นะจิตจะมีสติก็สร้างขึ้นไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้หน้าที่ของเราคือทําให้มันคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัว จิตเนี่ยมันจะเผลอหรือมันจะรู้สึกตัวหรือมันจะทํำยังไงเนี่ยมันทําไปตามความเคยชินเยมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งเรื่องมโนทวารวชนะจิตเป็นตัวตัดสินว่าต่อไปเนี่ยจะให้เกิดกุศลหรืออกุศลจะให้เผลอหรือจะให้รู้เนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราเคยชินที่จะเผลอมันก็จะเผลอบ่อยเคยชินที่จะรู้มันก็จะรู้บ่อย หน้าที่ของเราก็คือพยายามสร้างความเคยชินใหม่แต่เดิมเคยชินจะเผลออยู่ทวัตลอดหรือเคยชินที่จะโกรธพยายามสร้างความเคยชินขึ้นใหม่ให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวไว้ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักนกี่ยะสอนให้รู้สึกตัวบางทีด้วยภาษาที่ต่างๆกันไปครูบาอาจารย์ัดปาก็จะบอกให้มีผู้รู้ มีผู้รู้ก็คืออย่าไปมีผู้หลงก็แล้วกันให้มันมีผู้รู้ไว้ก็คือให้มันรู้สึกไว้ให้ขาดความรู้สึกตัวหลวงพะเทียนสอนให้ขยับมือบอกให้ปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ละสำนักอาจะเรียกต่างกันแต่ว่าการปฏิบัติถ้าถูกต้องก็คือจะต้องฝึกให้รู้สึกตัว พอเรารู้สึกตัวได้เนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งจะครอบงําจิตใจไม่ได้ถ้าเราเผลอความคิดนึกปรุงแต่งก็ครอบงําจิตใจได้มีเท่านี้เองเมื่อมันครอบงําจิตใจได้แล้วจิตใจก็ปรุงแต่งนราคาโทสะอะไรก็เกิดตามหลังมาได้นี่ถ้ามันรู้สึกตัวขึ้นมาความปรุงแต่งก็ดับเมื่อความปรุงแต่งดับเนี่ยเรามีสติ ถ้าเรารู้ลงในกายหรือลงในใจเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างวัดป่าบางทีท่านจะสอนอุบายให้คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงเป็นปฏิกูลเป็นสุภาอะไรนี้ให้คิดอย่างนี้อ น, นั้นเป็นอุบายอุบายจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันไปมองในแง่มุมที่มันเคยฝึกมองไว้จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา อย่าไปทำขึ้นมานะคโอ๋อย่าไปปรุงแต่งมันขึ้นมาอย่าไปปรุงแต่งการปฏิบัติไมหมเรานี้ตามเข้าไปแล้ว <c oughs> คุณเสื้อสีชมพูบางรู้เรื่องมั้งไหม <c oughs> เข้าวัดบ้างหรือเปล่า <c oughs> นะจริจริงอยู่บ้านก็ทำได้นะ อาตมาตอนลงมือปฏิบัติจริงๆเป็นคารวะนั่นแหละปฏิบัติจนสบายใจแล้วก็ค่อยมาบวชเพราะฉะนั้นคารวะก็ทําได้นะไม่ใช่คารวะทําไม่ได้นี่ก็คารวะมีลูกเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันไปแล้วด้วย <c oughs> เอออีกสองที <c oughs> มากันกี่คนหรือวันมากันกี่คนหน่ยคือจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะเป็นคาวรวาสก็ทำได้ ไม่เลือกหรอกไว่ต้องมาบวชหรือต้องอยู่วัดอยู่บ้านก็ทําได้าการปฏิบัติธรรมนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเองถ้าใครเรียนรู้แล้วคอยสังเกตร่างกายจิตใจของเราร่างกายจิตใจเนี่ยบังคับไม่ได้คอยดูไปอย่างจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันรู้สึกไหม บางวันมีความสุขบางวันเฉยๆบางวันไม่สบายใจแต่ละวันไม่เหมือนกันนี่ก็คือธรรมะนั่นแหละให้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายถ้าเราสังเกตให้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะพบว่าไม่ใช่ว่าเมื่อวานเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆในแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงจิตใจเราก็ไม่เหมือนกัน สัง เ, เกตไหมตอนนี้กับจิตใจตอนมาทีแรกก็ไม่เหมือนกันนะความรู้สึ ก, กมันไม่เหมือนกันนะบางคนตอนก่อนเข้าวัดนะก่อนทานข้าวก็จิตใจกระปรีก้กระเป่าทานข้าวเสร็จแล้วจิตใจเริ่มซึมซึมนะบางคนเป็นจิตใจเราไม่เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่เราคอยวัดจิตรัดใจตัวเองเนี้ยนะคือการปฏิบัติ เราปลูกฟันเคยสอนเคยได้ยินมัง้งที่ให้วัดใจบอกมาวัดนะยังไม่ถึงวัดแต่ต้องคอยวัดใจตัวเองไว้ใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราดูไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนตลอดเวลาก็ได้นะดูแค่ว่าเออตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแล้วนะตอนนี้กับเมื่อเช้ามืดก็ไม่เหมือนกันนะตอนนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกัน เนี่ยเราจะเห็นว่าจิจใาาตใ จ, จของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรลึกลับลับซ้อนเลยค่อยเฝ้ารู้เฝ้าเห็นไปจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปมากๆเข้าก็จะรู้ว่า อ, อ๋อเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ความสุขก็อยู่ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ไม่นานทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหมดเลยในชีวิตของเราถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้ได้เราจะมีความทุกข์น้อยลง อยู่ในโลกโดยทุกน้อยลงเรื่อยๆ อ, อย่างข้าราชการบางคนนะทำงานขยั น, นแข็งแกร่งพอทำขยันเรื่งหวังว่าต้องได้สองขั้นพอไม่ได้สองขั้นก็โกรธเลยเด๋ <c oughs> ยวนี้เขาประเมินผลนะืยังครับใช้ระบบอะไรประเมิน ไม่ได้ตามเป้าให้ออกไหมยังไม่ถึงเวลาน้แแออกไปแลค่เมื่อนนี้ไก็ต้องไปหาเียนเขียนรีพอร์ตได้เขียนเก่งๆเขียนรีพอร์ตก็แค่แคๆเช็คตัวเองนะ การทํางานของตัวเองการปฏิบัติก็เหมือนกันะเรารีพอร์ตตัวเราเองนะคอยเช็คจิตใจของเราจิตใจเราแต่ละขนามไม่เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตะกี้อีกแล้วซ้ำไหมเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปนั้นแนหะเรียกว่าปฏิบัติทีแรกก็เป็นแค่ตามรู้ไปก่อนสนะังเกตเห็นขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเห็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเห็นการกรารการเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย เช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วพอเราไปรู้เราจะเห็นว่าความโกรธพุ่งพุ่งขึ้นมาระดับปั๊บรงไปแต่ถ้าไม่ดับก็ชั่งมันนะไม่ได้ฝึกให้ดับฝึกให้รู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับวันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมดับเหรือพรุ่งนี้ก็ดับเองอพอสังเกตได้ไหมว่าใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกออย่างตอนนี้รู้สึกสบายใจกว่าเตื่อกี้ใช่ไหม ที่แรกฟังแล้วงงไปเลยอ้าหมอวะไงหายไ่นาน <c oughs> ไปเที่ยวเชิญเชิญส่งกันบ้านไหมเห็นเจตไม่ไวาใจเราตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกัน ต, ตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมในการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะเบื้องต้นเนี่ยคอยเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปะทั่งตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตอนนี้กับตอนเช้าไม่เหมือนกันตอนนี้กับเมื่อวานไม่เหมือนกันเข้ารู้อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นแค่การซ้อมๆไว้ก่อน ตอนที่มันเป็นวิปัสสนาจริงๆมันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแ่ถ้าเราหัดสังเกตอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าจิตใจเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายฝึกรู้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างหืมจะให้มันไปไหน ไม่ได้เอาความก้าวหน้าปิบัติเอาปัจจุบันพอละก้าวหน้าต้อง comparative study <c oughs> ไปเรื่อยรู้ไปทีลทักษณะใจลอยแล้วทราบไหมเห็นไหมพอเราใจลอยเราก็ทราบไม่ได้ว่าตอนนี้ร่างกายจิตใจของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติก็คือต้องฝึกรู้สึกตัวอย่าใจลอยนาน ถ้าใจลอยแล้วเรารู้กายรู้ใจไม่ได้นี่คือเหตุผลแค่นี้เองที่ว่าต้องรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวได้เราก็อ่านกายอ่านใจของเราออกเห็นว่าจิตใจเราตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้จะให้มีความสุขทั้งวันก็มีไม่ได้ความทุกข์มันมาแล้วมันก็อยู่ชั่วคราวมันก็ไปจะเห็นความจริงของชีวิตนี่ พอเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะมันผ่านมาผ่านไปต่อไปเวลาความทุกข์มาเนี่ยเราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหรนะ่ละเพราะเรารู้ความจริงว่าอีกหน่อยมันก็ไปเราก็ไม่ทุกข์มากความสุขมาเราก็ไม่ประมาทหลงระเริงว่ามันจะต้องอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าคิดว่ามันจะอยู่ตลอดพอมันผ่านไปนะั้นเราก็เสียใจ นี่ถ้าเรารู้ความจริงว่ามันมาแล้วมันไปก็ไม่เสียใจรู้ว่ามันมาแล้วมันไปนี่ฝึกให้เห็นตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรอกแต่ถ้าไปนั่งเก่งนั่งจ้องนะพกเข้าวัดเลยเชอาไปนั่งเก้งเก้งให้นิ่งนิ่งไม่รู้ว่าทํไมทไปเพื่ออะไรเนอะรู้ไหมทำไปเพื่ออะไรเพื่สงบ <c oughs> ดีไหมสงบสงบก็ดี แต่ดีอีกระดับหนึ่งนีหนีไปลนะ้ะมเรียกไปหานะดูออกไหมว่าเอาจิตไปทำงานใครสังเกตไปเรื่อยๆจิตใจของเราทำงานตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เที่ยวไปกวนๆดูว่าจะดูอะไรดี เดี๋ยวคิดหาว่าจะดูอะไรดีเดี๋ยวก็คิดไปเดี๋ยวเฟลไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวคอยวัดใจเราไปเรื่อยๆที่การปฏิบัติที่ง่ายๆหม อ, อยังทำงานที่เดิมไหมยังทางานอยู่ที่เก่าเลยอย่าเล่นเน็ตเยอะนะ <c oughs> ใครลอยไปแล้เ อ, อ้าคุณแอน เนี่ยคอยห่านใจไว้สังเกตไหมเมื่อกี้มันหนีไปมันลืมรู้สึกตัวไปที่นิดหนึ่งนยะมันไหลไหลไหลไปคิดเนี่ยเมื่อกี้ไหลอีกแว บ, บหนึ่งแนละ้พอจะสังเกตได้ไหมเห็นไหมสล่มลงไปจ่องแนละ้วคล้ยๆเราดูไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆเราลืมรู้สึกตัวเนีอย่างนี้ก็เรียกว่าเผลอนนะหัวไปมองโน่นลืมไป ลืมรู้สึกตัวว่ากําลังดูอยู่เห็นไม้มแอบไปทํางานอีกแล้วจิตใจแอบไปทํางานเห็นไม้มเผลอไปอีกแล้วมันเผลอเข้าไปข้างในอ่ะเผลอเข้าไปข้างในเขเผลอเหมือนกันนะนักปฏิบัติเกือบหมดเลยที่เขาเผลออยู่ข้างใน น, ะน่ะเนี่ยหัดรู้สึกตัวไว้นะหัดไปอย่างเนี้ยหัดไปเรื่อย เราพูดภาษาบาลีไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกตัวไว้เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกตัวได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเราจะค่อยๆไหลไปอีกแล้วไหลไปแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันก็ไหลลงไปนอนแช่นานๆถ้ารู้ทันมันก็เหมือนที่เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไหลใหม่ห้ามไม่ได้หรอกแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตใจเป็นของห้ามไม่ได้จิตใจไม่ใช่ตัวเรา นีคือธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงที่รู้ความจริงว่าห้ามไม่ได้ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงที่ห้ามมันได้ใช่ไหเที่ยวหาแล้วนะทำไมต้องหาเลนะอยากปฏิบัติแล้วนะควานๆไปจะหยิบอะไรมาดูสักอันหนึ่งนะอยากปฏิบัติจิตของเราจะได้ดีจิตของเราเป็นไงคนนอนไปหลบอยู่หลังเลยหืม อยากเรียนไหมอยากเรียนไหมใจถึงลุยเลยนะไม่ต้องกลัวนะมันก็เหมือนวิชาทางโลกอื่นๆนั่นแหละก็เป็นศาสตร์สาข า, าหนึ่งไม่ได้เรื่องลึกลับอะไรเราจะเรียนเรื่องตัวของเราเองคอยสังเกตจิตใจของเราไว้ไนนไอืมเหมือนหลวงพ่อเลย หลวงพ่อก็โทรสาจธิตเมื่อก่อนโกรธเกง่งโกรธได้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรจะโกรธก็โกรธบินฟ้าอากาศก็ยังได้เวลาโกรธแล้วรู้ไหมว่าโกรธ <Okay. S 1> นะเออเวลาโกรธเนี่ยใคยนั่งดู <Okay. S 1> ต่อไปอย่าไปห้ามมันนะเวลามันโกรธเนี่ยบอกให้มันโกรธไปเดี๋ยวเราจะนั่งดูดูซิว่าจะโกรธถึงนานคแค่ไหนดูไปว่าความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง รู้จักโกรธใช่ไหมรู้จักรักัหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักอิจฉาบ้างไหมแล้วกลัวรู้จักกลัวไหมแม่รู้จักทุกตัวแหละดีใจเป็นไหมดีใจรู้จักดีใจไหมเสียใจเคยเสียใจไหมเห็นไหมเรารู้จักอยู่แล้วธรรมะ โกรธก็ธรรมะตัวหนึ่งนะรับก็ธรรมะตัวหนึ่งกลัวเกลียดมีธรรมะทั้งนั้นนะความสุขความทุกข์นี่ธรรมะทั้งนั้นต่อไปนี้เราลงมือปฏิบัติก็คือว่าขณะนี้ธรรมะอะไรกําลังปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราคอยรู้ทันเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่สังเกตไหมว่าตอนโกรธเราทําอะไรบ้างเราคิดถึงคนที่เราโกรธใช่ไหม เวลาเราโกรธนะ่ะเราชอบไปนึกถึงคนที่ทําให้เราโกรธหรือเปล่าเออท่านี้เปลี่ยนใหม่แทนที่จะนึกถึงคนอื่นนะพอเราโกรธนี่ยเรามาดูว่าความโกรธนี่ยมันจะอยู่นานสักแค่ไหนนั่งดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆอย่าไปห้ามมันนะไม่ต้องไปรักความโกรธเราเอาไว้ดูเล่นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปอารมณ์ตัวอื่นมาแล้วก็ไป แต่ปัจจุบันนี้กําลังจิตใจกําลังมีอารมณ์ชนิดไหนอยู่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายๆไม่ซีเรียสนะต้องรู้สบาย ๆ, ายๆเห็นไหมใจลอยแล้วบ้างไหมชักซึมและวหือผุนเสื้อสีชมพูชักซึมซึมแล้วหรือเนี่ยตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมตอนนี้ชักกับพี่กับเปล่าเมื่อกี่ซึมไม่เหมือนกันเนี่ยเราหัดรู้ความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติ ไหมหนีพิคิดแล้วรู้ไหมนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆนะมันเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอไปมันโกรธรู้ว่าโกรธมันรักรู้ว่ามันรักนะมันเกลียดรู้ว่ามันเกลียดมันดีใจมันเสียใจรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือการฝึกเจริญสติปัฏฐานนั่นเองพนะระพุทธเจ้าสอนให้เราตามรู้กายตามรู้ใจ จิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธนะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ให้เราตามรู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงตามรู้รูปเดียวตอนนี้จิตใจทําอะไรซ้ำไหมจิตใจผิดชิดรู้ไหมจิตใจผิดชิดนะ่ะรู้ไหมเมื่อกี้นี้ตอนนี้ไม่ไม่เป็นไรแล้วไม่เหมือนกันแล้วผิดอ่ามไหม อึดอัดรู้ว่าอึดอัดแม้เ ม, มื่อกี้ไม่อึดอัดใช่ไหมตอนอยู่ข้างหลังตอนนี้ช่างอึดอนะัดะล้วแม้จิตใจไม่เหมือนกันมองความเปลี่ยนแปลงออกไหมการที่ใจเราสบายรู้ว่าสบายนะี่ปฏิบัติการที่จิตใจของเราอึดอัดรู้ว่าอึดอัดนี่ ป, นปฏิบัติอย่าให้ซึมนะอย่าปลีกกัะเป๋าไว้ยากไหม ยากไหยากผ <c oughs> มเห็นยากเลยนะอย่างเราโกรธเงี้ยเรารู้ว่าโกรธยากอะไรอะ่ะไม่เห็นทำอะไรสักหน่อยใครใครเขาก็รู้ทั้งนั้นแ่ะแต่เขารู้ช้าเขาโกรธไปก่อนนานๆนนจนหายโกรธแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกี้ไปโกรธอย่างยของเรานึ่ให้่มันเร็วขึ้นหน่อย รู้ลงไปเลยว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจเรามีความสลุกจิตใจเรามีความทุกข์จิตมันซึมหรือมันสดชื่นหรือมันเฉยเฉยรู้ทันไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นว่าจิตใจไม่เที่ยงหรอกจิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นบบเข้าใจความจริงของจิตใจของเราเองพอเราเข้าใจความจริงของกายของใจเดี๋ยวมันพ้นทุกข์ได้เองนะ คิดแล้วคุณโอ้อย่าไปทำให้มันนิ่งเป็นคนไม่เรียบร้อยไว้นะอย่าเรียบร้อยเอาตัวจริงออกมาให้ได้น ะ, ะอย่าไปกลบมันไว้คุยมันออกมาไงคุณรักหนีไปไหนคุณรักทำได้กล้องอยัง เนี่ยใครฝึกสูไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรยากเลยให้หมอนั่งกัตมาตมะก็ได้นั่งไงก็ได้นะเราคนเมืองนั่งกับพื้นไม่ค่อยเป็นนั่งกัตมาจะก็ได้จะนั่งอย่างหลวงพว่อคุณก็ได้ไม่ว่า <c oughs> รู้สึกไหมพอดได้หัวล้าทีหนึ่งแล้วจิตใจผ่อนคลายจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้เคร่งเครียดพอหัวล้าทีหนึ่งแล้วรู้สึกผ่อนคลาย การที่เรารู้ทันว่าจิตใจของเราผ่อนคลายกำลังผ่อนคลายนี่เรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติคือการรู้กายรู้ใจนั่นเองนะพระพุทธเจ้าบอกการปฏิบัติให้รู้ทุก็รู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจถ้รารู้ไปจะเห็นว่ากายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงหนีไปคิดแล้วรู้ไหมมันหนีไปคิดคือเผลอ สังเมตไห้ตอนที่เราหนีไปคิดเนี่ยเราลืมที่จะรู้กายรู้ใจเรารู้แต่ความคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจของเราเองอย่าบังคับกายบังคับใจก็ไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้ฝึกเพืจะบังคับถ้าเราเล่นกายนะคุณเด็ดต้องทําสมถะคือถ้าเราเดินกายทิ้งสมถะไม่ได้ นีย่ยครูบาอาจารย์ก่อนจะไปพิจารณากายเนี่ยท่านทําสมถะกันก่อนการทําสมถะเนี่ยทําให้จิตมันรวมเข้าถึงฐานของมันพอจิตรวมเข้าถึงฐานถึงที่ของมันจริงๆแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิมาจิตยังตั้งมัน่นนี่จิตมาตั้งมั่นอย่างเงี้ยบางทีขี้เกียจท่านก็ไล่ให้พี่ารณากายนี่ก็คิดเรื่องผมคนเล็บขนหนังอะไรคิดไปเรื่อยๆะพอจิตฟุ้งซ่านก็ทําสมาธิ เข้ามาที่ฐานของจิตอีกนี่พอจิตถึงฐานอยู่เรื่อยๆพอีกช่วงหนึ่งมันจะเกิดนิมิตของกายเพราะว่าจิตมันเคยคิดเรื่องกายแล้พอจิตมีสมาธิจิตก็เลยออกไปพิจารณากายก็จะเห็นร่างกายเปลือยเน่าแตกสลายตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะมันเป็นปฏิภาคนิมิตที่มาเห็นกายแตกสลายเป็นผงไป บางคนก็เห็นไฟไหม้ร่างกายหรือเห็นร่างกายเน่าไปหมดเลยพอร่างกายสลายเน่าไปหมดแล้วบางคนเน่าไม่หมดเหลือกระดูอีกนะครูบาอาจารย์สอนให้ทําลายกระดูอีกพิจารณาลงไปกระดูกนะบางทีกาหนดจิตนะเอาไฟเผากระดูอีกเผาเผาเผ า, เาลายกายหมดเลยนี่พอหมดกายแล้วเนี่ยเนื่องจากเราเคยฝึกเข้ายันพึงฐานของจิตพอหมดกายแล้วเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาที่จิตเอง นะครูบาจารย์ก็ไปสอนบอกว่าเสร็จแล้วในขั้นสุดท้ายมันมารู้ที่จิตมันมาละที่จิตนะไม่ได้ไปละที่กายนี่ถ้าคนไหนไม่เคยทําสมาธิเข้าถึงฐานนะี่แล้วไปพิจารณากายพอมันเกิดนิมิตร่างกายสลายไปเนะี่ยไม่มีกายจะดูแล้วเนี่ยแทนที่มันจะย้อนเข้ามาดูจิตมันจะเตลิดเข้าไปที่อรูปที่ความว่างๆแทนเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินกายเนี่ยยังไงก็พิงสมาธิไม่ได้ ส่วนพวกที่เดินจิตเนี่ยเขารู้อยู่ที่ฐานของจิตอยู่แล้วพอเห็นจิตเกิดดับเกิดดับไปรวมเข้ามาที่ฐานมันก็ามาตัดที่จิตนั่นเองหลวงตามหาบัวท่านถึงย้ำนักหนานะว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนให้พิีานณกกายอย่างเดียวไม่ให้ทำสมาธิอันนี้ผิดนะผิดทางนะมันผิดจริงๆผิดทั้งปริยัติผิดทั้งปฏิบัติ ในแง่ของการปฏิบัติก็คือพอสลายกายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เข้าที่จิตไม่เข้ามาตัดที่จิตในแง่ของปริยัติปริยัติเขาสอนไม่ชัดเลยว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกต้องทําฌานก่อนไอจิตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับนิพพานาานิกคือพวกที่ไม่ได้ฌานอย่างพวกเราฆราวาสส่วนใหญ่เราไม่ได้ฌานเชิญเลยหรอกสงบก็สงบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่เข้าถึงฐานจริงอะ่ะ ใม่ไหสงบแล้วร่างกายก็ยังอยู่ความคิดก็ยังอยู่อะไรเงี้ยสงบนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เข้าถึงที่ของจิตจริงๆหรือสงบลงไปแล้วเคลิ้มเลยขาดสตินิ่งเหลวไหลใหญ่หรือสงบแล้วเคลิ้มเคลิ้มฝันออกไปเกิดนิมิตนี่ก็ใช้อะไรไม่ได้เวลาทําความสงบก็ทําให้ถึงฐานจริงๆเลยเข้าถึงที่ของมันไม่คิดไม่นึกเหนือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวก็คือถ้าจะเดินทางสมถายานิย เป็นจิตรวมลงไปหรือจะจิต ล, ล้วนๆเลยนะไม่มีกายไม่มีความคิดนี่พอเราทำอย่างนี้ได้แล้วออกจากสมาธิมาเนี้ยมาดูร่างกายมาพิจารณากายพิจารณาไปแล้วพอจิตรวมเข้าสมาธิมันจะเห็นกายนิมิต ก, กายเกิดขึ้นแล้วเกิดปฏิภาคแตกสลายขึ้นมาพอสลายกายหมดจิตที่เคยรวมเข้าสมาธิที่รวมเข้ามาที่จิต พอรวมเข er right. ้ามาถึง <tahun> จิตแล้วก็จะเห็นความไหวตัวความปรุงแต่งภายในจิตเห็นไหววิพีพิพิพพขึ้นมาระดับวิพีพพิพขึ้นมาระดับบางคนเห็นสองครั้งบางคนเห็นสามครั้งแล้วก็อริยมรรคก็จะเกิดต่อแต่ถ้าไม่เข้ามาถึงจิตจะไม่ตัดท่านถึงบอกให้รู้ที่จิตให้ละที่จิตไม่ว่าจะเดินสายไหนขั้นสุดท้ายต้องลงมาที่นี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบ เดินกายเราก็ต้องทําสมาธิอย่าทิ้งแต่ถ้าทําสมาธิไม่ได้ก็พยายามรู้จิตใจไว้พยายามรู้อยู่ข้างนอกนี่รู้ไปรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันรวมเข้าข้างในเองสมาธิจะเกิดขึ้นเองนี้เรียกว่าพวกใช้ใชปัญญานําสมาธิพวกที่เดินทางกายเขาต้องใช้สมาธินําปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยมีเยอะแยะเลยหลากหลาย บางครั้งเราฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเดินมาอย่างนี้ท่านสอนอย่างที่ท่านเดินลิตนิสัยของเราไม่เหมือนเราก็เดินตามไม่ไหวอย่างพวกเรารุ่นนี้มีใครได้ฌานไม่ค่อยมีพระยังไม่ค่อยได้เลยคุณเก็บได้ไหมดับเหลือแต่รู้อันเดียวนหนึ่งกายก็ไม่มีโลกธาตุหายทั้งโลกเลย ยากยากเพราะฉะนั้นเราไปหวังคาดหวังว่าเราจะทำสมถาจนถึงฌานแล้วออกจากฌานมาดูกายเลยโอ้โเล่นยากคล้ายๆกับว่าเราไม่มีต้นทุนพอที่จะทำกิจการขนาดใหญ่อย่างนี้มีทุนน้อยก็ต้องทำธุรกิจเล็กๆหน่อยนฮะดูดูจิต ด, ดูใจเข้าไปเลยโอกาสรอดก็มีเดี๋ยวค่อยรวยทีหลังได้ ดูเข้าไปดูอิตเข้าไปเราต้องเดี๋ยวมันรวยทีหลังได้นะโอมาวัดนี้นี่นะไ ม, ม่โยมพูดสักคนเลยไม่พาพูดด้วยคนเดียว <c oughs> อ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อเราจงใจละนะพอเริ่มมีทักษะมีสองแบบนะ พวกหนึ่งยิ่งดูยิ่งหนักเพราะยิ่งดูยิ่งเอาทิงเอาจังอีกพวกหนึ่งยิ่งดูยิ่งเบาอย่างสมพงษ์อะยิ่งดูยิ่งเบาเพราะจิตมันชักเจ้าเล่ไงมันขี้เกียจแล้วมันรู้ทันเนี่ยว่าดูอารมณ์เกิดดับสักพักเดี๋ยวจะทิ้งปล่อยแล้วจิตเบาพอเช้าขึ้นมามันเบาเลยมันไม่ดูแล้วนีพวกนี้พวกหนึ่งอีกพวกหนึงน่งพวกตั้งใจจริงไปเดิมที่มาหาัดทีแรกแล้วเบาเพราะว่าไม่ได้คาดฝันไว้ก่อน หลวงพ่อสอนให้ดูก็ดูไปเลยดูว่าใจปล่อยปั๊บใจโล่งเบาไปหมดเลยแต่มาจำได้จำวิธีปฏิบัติได้ว่าต้องดูเอาก็เลยเริ่มดูอย่างจริงจังดูอย่างเอาไปเอาตายไปฝึกดูเล่นๆอย่าดูจริงจังอย่าดูตลอดเวลาถ้าพอเกิดความอยากจะดูแล้วไปตั้งใจดูขึ้นมาเราจะอึดอัดเลยจะแน่น เพราะฉะนั้นการปฏิบตัติต้องทำเล่นๆนะอย่าทำจริงจังทำเล่นๆหรือแม้แค่คิดว่าจะทำเล่นอย่างรู้สึกเบาขึ้นเลยแต่ถ้าคิดจะทำจริงนั้นหนักคุณแอนรู้จักด็อกเตอร์ชัยพัฒน์ไห ม, ไมชัยปากจับไม่ได้เลื่อ้ด้ชัยพัฒน์เขาเป็นด็อกเตอร์อยงจริงจัง แกน่าจใช่เอาใช่ใช่เ น, นื้อจะจริงจังมากในการปฏิบัติพอมาฟังธรร ม, มแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังเลยแล้วก็แน่นแน่นอย่างเงี้ยอึดอัดมากับวัดทีไร ห, หลวงพ่อก็บอกไม่ถูกอย่าไปทําให้รู้<ม>เอาแกต้องไปหาวิธีทําแบบใหม่ อ, อ่ะทำอยู่เป็นปีเลยภรรยาทำง่ายง่ายภรรยาไม่คิดมากดูลูกเดียวภรรยาทําง่าย นีวันที่แกจะทําเป็นเนี่ยแกท้อใจโอ้ต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติมันยากเราไม่มีวาสนาเราเลิกปฏิบัติพอคิดว่าต่อไปนี้ไม่ปฏิบัตินะใจมันสบายเลยพอใจสบายรู้ว่าสบายอ๋อเขารู้กันอย่างนี้เองคือรู้เฉยๆเนี่ยรู้ง่ายๆนี่เองใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดรู้ง่ายๆแต่ถ้านั่งจ้องไว้ก่อนเราจะเครียด พอนึกออกไหมว่าที่เราปฏิบัติแล้วมันแข็งขึ้นมาเพราะเราไปจ้องมันไว้ก่อนไปรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหรรอดูไว้ก่อนดักรู้ไว้ก่อนแล้วก็จะอึดอัดเราพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้ไม่ได้สอนให้ดักรู้ตามรู้หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้มันว่าอันั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าลงมือปฏิบัติโดยการเอาแล้วต่อไปนีปฏิบัติจริงจังนั่นจ้อง จ้องไปเรื่อยๆยิ่งจ้องยิ่ง อ, อึดอัดเพราะว่าเราปฏิบัติโดยความอยากไปดูความอยากเกิดขึ้นเมื่อไร่ความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นงั้นทำเล่นๆนะอย่าทำจริงขีเ้เก็ยจไหมพอคิดจะทําเล่นๆแนละ้วแหมมันสบายใจยใจมันเบาเนี่ยคอยรู้ไปอย่างนี้รู้ทันไปสบายๆนะอย่าไปรู้แบบดูเดือดจริงจังแล้วนกะ็ไม่ใช่ขี้เกียจรู้นะ <laughs> สุดโต่งก็ละฟัง <laughs> อ้เป็นไงคิดสนุกไหมรู้สึกตัวไหมเดียเด๋ยวเถอะนะรู้สึกไปใจเราหนีแวบแวบไปเรื่อยๆคอยรู้ทันมันแต่อย่านั่งจ้องนะของคุณเริ่มนั่งจ้องแล้วเออเนี่ยมันรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ข้างในนะเข้าไปนั่งจ้องข้างในผิดนะอ้าวคุณรู้นะ รู้ใจไปรู้สบายสบายนะอย่าถลําลงไปจ้องมันพอเราลงมือปฏิบัติพอเราเริ่มทําเป็นส่วนมากเราจะถลําไปจ้องเอาเอาเป็นเอาตายนะเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเข็ดเลยไม่กล้าเข้าวัดอีกนะดูเล่นๆ เ, เดี๋ยวได้มีความสุขถ้าเราดูเล่นๆ เ, เรามีความสุขเราจะขยันดูถ้าดูทีไรแล้วก็อึดอัดทุกทีนั้นะเดี๋ยวเป็ลังเข็ดเลยไม่กล้าเลยนะทําเล่นๆทำสบาสบาย ถ้าเราทํำเป็นแล้วชีวิตเรามีความสุขเยอะๆเงยโยเป็นเงยโยส้นหลังหมอนเป็นเงี้ยมั้งอืมไม่เป็นไร <c oughs> คือสังเกตไหมว่าเราเผลอสั้นลงเราเผลอแล้วเราก็รู้ทันว่าเผลอเ <c oughs> นี่ยเรียกว่ารู้สึกตัว แต่เดิมนี้เราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องเพ่งๆเอาหรือต้องคิดๆเอาเพ่งจ้องนะเพ่งจ้องไม่ใช่เรื่องรู้สึกตัวสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เพ่งจ้องน้อยลงนะพยักหน้ารู้ไหมเราปล่อยปล่อยเนี่ยเราปล่อยนะจะต่างกับชาวบ้านเพีนิดเดียวชาวบ้านเขาปล่อยแล้วเขาเสลิศเลย พองเราพอปล่อยแล้วพอกิเลสปลุามาเราไปมองเห็นตั้งใจมากแล้วทุกอย่างก็นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็ว่าจิตเราดีสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นหลงผิดแต่พอเราไม่ไปกดมันไว้ไม่ไปขมมันไว้มันเริ่มดินนะ้นแลดินอย่างง้นดิ้นอย่างนี้เราก็ไปรู้ทันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่เรียปฏิบัติ เรียกว่ารู้ตัวเอารู้เอาเียไม่ใช่นั่งเพิงเอาขอเข้าใจไหมรู้สึกไหมมันสบายขึ้นเอนอหนักหนักนัก่นลำบากมไม่รู้สาเหตุด้วยไห ม, ม เ, กเก่ก็เกรงทำไมเกรงอ่ะเพราะอยากปฏิบัติถ้าอยากปฏิบัติก็เริ่มกดข่มเริ่มบังคับใจ เคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนในเรื่องสมาธิแบบเอาหินทับหญ้าเราทับเอาไว้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกนะอึอาดมีความทุกข์เยอะไหมใจหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยคือการรู้ทันเนี่ยคือการเจริญสติเห็นไหมหนีไปอีกแล้วเนี่ยหนีอย่างนี้ก็หนีนะสังเกตไหมว่าเราส่งออกไปดูเราส่งออกเรียบร้อยแนละ้ว เนี่ยส่งจิตออกนอกไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะรู้สึกเหมือนส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปข้างในส่งในส่งนอกก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแหละส่งเข้าข้างในแล้วเอาไปนอนแช่ไว้เราว่าดีวันไหนมันแช่ได้สนิทนะเราว่าวันนั้นปฏิบัติ ด, ดีความจริงหลงสนิทเลยตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราไหลไปแล้วเราไม่เห็นว่าไหลไปตั้งแต่แรกแนละ้วไม่สุดเข้าไปข้างในอีกแล้วเข้าไปคิดแบบนี้ย ไหมเข้าไปดูแล้วนีว่สังเกตไหมว่าส่งจิตออกไปดูเนี่ยส่งเข้าข้างในนล้วรู้ทันที่ว่าส่งเข้าข้างใ น, บบนเพราะว่าจิตที่ไหลเข้าข้างในไม่ใช่ธรรมะอยู่ข้างในนะธรรมะไม่มีข้างในข้างนอกอะไรหรอกธรรมะภายในปรากฏก็รู้ทันธรรมะภายนอกปรากฏก็รู้ทัน ไม่ใช่หนีจากข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในถอยขึ้นมาซีเข้าไปข้างในแล้วพอทราบไหมว่าเมื่อกี้มีการกระทํางานของใจบางอย่างมีการทํากิจกรรมบางอย่างในใจคือส่งเข้าไปไปดูอยู่ข้างในอลองทําใหม่เห็นไหมน้อมเข้าข้างในแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูนะอย่าหลงเข้าไป ธรรมะไม่ได้ด อ, ย อ, อ, ไน อ, นอยู่ข้างในหลวงพ่อเคยถูกหลวงปู่สิมโขกมาจริงแา่ก็ชอบทำเนี่ยข้าวไปนอนไว้ข้างหนแต่ตอนนี้ภาวนาเป็นแล้วด้วยนะแต่จับหลักยังไม่แม่นแต่เดิมเราก็ว่าเราดูอารมภายในอยู่เห็นมันเกิดดับแล้วมันผ่านไปแล้วก็ขยันจ้องอยู่ข้างในจ้องเจอทั้งไม่มีอะไรให้ดูก็จ้องนิ่งๆขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมถูกขั้นแซว โอ้ยเข้าไปทำไมข้างในออกมาข้างนอกนี่กิเลสมันอยู่ข้างนอกนี่โมแต่เข้าไปนอนอยู่ข้างในจะได้ไรครูบาอาจารย์นะ่เนี้ย ม, มากเลยไม่ต้องถามนะวัดป่าเนี่ย <c oughs> เภาาวนาไปให้ท่านเด็นหน้าอดโดนนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะเอ๊ะทำไมหลวงปู่ว่าเราเข้าข้างในไม่เข้าใจก็เข้าข้างในมันดีไม่ใช่หรอือ หลวงปู่ดูลยบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็ส่งเข้าข้างในสิทําไมหลวงปู่สิบมาว่าเราว่าเอาจิตไปไว้ข้างหนมีแต่บอกว่าอย่าลงออกไปอย่าลงออกไปแมานั่งสังเกตกลับบ้านมานั่งสังเกตทําไมครูบาอาจารย์ว่าเข้าข้างในเข้าข้างในไม่ดียังไงเข้าสังเกตไปโอ้อเข้าข้างในก็ไปสร้างภพภายในขึ้นมาไปสร้างภพสร้างชาติของนักปฏิบัติขึ้นมาเอาจิตเข้าไปนอนแช่ แค่ไป น, นานๆก็ขี้เกียจไปเลยสบายอยู่ข้างในอะไรนี่ท่านถึงบอกโอ้ยกิเลสไม่อยู่ข้างในหรอกออกมากิเลสอยู่ข้างนอกนี่สงสัยกิเลสอยู่ข้างนอกได้ยังไงะลืมตาขึ้นมาดูโลกโอ้เห็นสาวๆนี่หมากิเลสมาละเดินไปเห็นหมาถูกรถทับโอยสยองนี่กิเลสมาละนี่กิเลสอยู่ข้างนอกนี่ เข้าไปนอนอยู่ข้างในมันก็กิเลสเหมือนกันนะแต่มันกิเลสละเอียดดูยากกลายเป็นว่าเราไปยินยอมพร้อมใจที่จะเข้าข้างในเทไปหาองคุสินไหมโอ้น่าดูนจริงยิ่งผู้เฒ่าตอนกล้จะทิ้งขันนะดุลึกเลย มีแสดงวู้จะคุ้มผู้ดตอนหลังๆนะมาพาหมอโรงพยาบาลกลางคนหนึ่งขึ้นไปแกยุมากแล้วจะเกษียณนะผู้หญิงขึ้นไปกราบท่านขึ้นไปถึงเอ๊ท่านติดศะตูไว้ตอนนั้นท่านผ่ากล่องตาท้ายๆกั้นศะตูเหล็กไว้แล้วมีกรดกลางอยู่ข้างในอันหนึ่งถามพระว่าหลวงปู่อยู่เปล่าหลวงโยอยู่ในกรดนั่นแหละ แอบดูในกรดนะว่างเปลา่าไม่มีอะไรเลยดูไม่อยู่นี่ไม่อยู่ที่กรดจะไปอยู่ที่ไหนนะสแกนหายัางไงก็าไม่เจอเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะท่านก็ออกมาจากกรดนะอ่ะอ๋ออยู่จริงๆอะ่ะนะออกมาเปิดประตูให้ท่านบอกอ๋อมันเดินขึ้นมาเหนื่อยเลยให้นั่งพักก่อนเหนื่อยเหนะืยเนียคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเสร็จแล้วท่านก็สอนสอนสอน คุณหมอเนะั่นแกก็นึกถึงลูกแกเรียนอยู่อเมริกาบอกแนมะ่ธรรมะของท่านดีจังเลยถ้าลูกเราได้ฟังนะจะมีประโยชน์มากเลยลุงปู่หยุดตึกเลยนะหันกลับมาใส่เลยฟังธรรมะแทนที่จะเรวนสุติมัวแต่ห่วงลูกถึงอเมริกาล <c oughs> ดงแกจะช็อกเลยเแต่เขาถ้ายืนขึ้นมานะยืนตาเหลือกได้ไหมผมพูดเท่าตอน ท้ายๆนี่นะไม่ปิดบังอ่ะถ้าคุณว่าไงอืมมันเคยไ ม, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้แล้วก็คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไหมจิตใจของเรานิ่งๆรู้ว่านิ่ง นะต่อไปมันก็ไม่นิ่งอีกอ่ะพรอมันไม่นิ่งรู้ว่ามันไม่นิ่งนะการปฏิบัตินะถ้าทําเป็นแล้วอะไรก็ใช้ได้หมดเลยหนะยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติได้หมดเลยรู้ลมหาใจเข้าออกรู้ไปถ้าจิตของเราไหลไปอยู่กับลมเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่กับลมนี่ก็ใช้ได้แล้ะเคยเห็นไหมจิตไหลไปอยู่ที่ล ม, มเอ้ยจิตมันเกาะไปนอนแช่อยู่กับลมเคยเห็นไหม ถ้าเรารู้ทันว่าจิตลงไปนอนแช่อยู่ที่ลมนี่ก็ใช้ได้นะนะรู้ทันแนละ้วต่อมาจิตไม่แช่อยู่ที่ลมจิตหนีไปแช่อยู่ที่คนอื่นครนับสมติไปมองคุณหมอจิตจะอยู่ที่หมอนะรู้ว่าจิตจะอยู่ที่หมอนี่ก็าปฏิบัติเสร็จแล้วนะรู้ทันจิตใจของเราจิตหนีไปคิดรู้ไหมหนีแวบแวบวบเนี่ยหนีแวบไปคิดรู้ เอามันติดนะสินะมันไม่ต้องทำงานอะไรสบายก็ดีนะรู้ลมหายใจก็ยังมีความสุขยังไงก็ไปสุขติได้นะแต่อย่าเผลอนะอย่าเคลิมส่วนมากพอรู้ลมนานๆแล้วเคลิมขาดสติขาดสติไม่ดีเลยอันตรายที่สุดเลยอย่าอย่าให้ขาดสติได้เลยถ้าใจลอยใจเผลอเนี่ยเราฝึก ฝึกที่จะไปอบายหนีไปคิดรู้ไหมเนี่ยหัดสังเกตเมื่อตะเคียดึงออกไหมเนี่ยมันหนีอีกแล้หนีวิคิดอีกแว บ, บหนึ่งใจสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้สงสัยแล้วไม่คิดเอาสงสัยก็รู้ว่าสงสัยลงไปตรงๆงเลยอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ลงไปตรงตรงอย่างคนนี้คี้โมโหความโกรธเกิดขึ้นมารู้ว่าโกรธเลย ในช่างคิดช่างสงสัยความสงสัยเกิดรั้วสงสัยไปเลยเคืองเือไม่เป็นไรคิดเป็นเสียงก็ไม่เป็นไรแต่ละคนคิดได้หลายแบบนะบางคนคิดเป็นตัวหนังสือก็มีบางคนคิดเป็นภาพก็มีคนคิดเป็นเสียงก็มีไม่ต้องหาสั ญ, ญลักษณ์อะไรเพื่อจะสื่อว่ามันคิดอะไร แต่ว่าถอยออกมาอย่าเข้าข้างในนะหายใจแรงๆสักทีสินะหันซ้าหันขวาอีกสองทีนะไม่งั้นเดวหลงเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเกิดไปรู้ไปเห็นอะไรพิลึกพิล ức, พึกยุ่งใหญ่เนี่ยรู้สึกตัวไว้อย่างเนี้ยนะสบายกว่ากันเยอะอย่าอย่าน้อมเข้าข้างในสังเหกตไหมเราสนใจเขา้าใจเราก็อยู่ที่เขาบ้าง หนี้ไปคิดบ้างพอจะดูออกไหมเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติเราเรียกว่าเราหัดรู้ทันจิตใจตนเองนะส่วนมากเราจะชอบเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราเรายังไม่เข้าใจใจเราเองเลยนะใจเราหนีไปทั้งวันเยเนี่ยเราหัดสังเกตจิตใจของเราในที่สุดเราจะรู้จักใจของเราเองนเรียกว่ารู้จักตัวเองว่าไงคุณทำลาย ฟังอย่างเดียวหรอือสังเกตไหมไว่าใจตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้ฟังธรรมนี่ยไม่เหมือนกัน อ, อไม่เหมือนนะ่ารู้ความแตกต่างนะการปฏิบัตินีให้เรารู้ความแตกต่างของจิตใจไปเรื่อยๆการที่มันนิ่งนิ่งขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็น้อมใจให้แข็งแข็งไว้ให้นิ่งนิ่งไว้นี่คือความปรุงแต่ง การปฏิบัติที่แท้จริงให้เฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันดูออกไหมตื่นตัวกว่าตะกี้ดูออกมเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงใช่ใช่ไม่งั้นเราลงไปนอนนิ่งๆแช่แ่ไว้ไม่งั้นหนีไปคิดอีกล้วเนี่ยหัดรู้ทันตรงนี้ง่ายๆ ่ขึ้นมานะอยากสนุกอยาเพลินเป็นไงรู้เรื่องไห ม, ม, มเหรอคิดรู้ว่าคิดนะรู้ไหมว่าคิดหรือรู้เรื่องที่คิดรู้ว่าคิดใช้ได้นะรู้เรื่องที่คิดนม่ใช้ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะรู้ว่าคิดกับรู้เรื่องที่คิดไม่เหมือนกัน ใครๆเขาคิดในโลกนี้เขาก็รู้เรื่องที่เขาคิดทั้งนั้นแหละแต่นักปฏิบัตินี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่อย่างจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดแล้วปรากฏว่าพอรู้ทันว่าจิตไปคิดจิตเลยเลิกคิดเลยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนอย่าไปทํามันอีกนะเริ่มน้อมใจเข้าไปให้ซึมอีกนะนะเดี๋ยวก็ได้ยินอะไรขึ้นมาอีกนะไม่เอา ก็ดีเหมือนกันนะอยสอนตัวเองแต่ว่าพอถึงขั้นละเอียดแท้จริงตรงนี้เป็นอุปสรรคเหมือนกันหลวงพ่อพูดถึงสอนว่ามีปรัสน า, าเริ่มเมื่อหมดความคิดอันนี้เราซ้อมคิดนะ <c oughs> แต่เราคอรู้ทันไม่เป็นไรคิดนิดหน่อยนะคอยสอนตัวเองเป็นระยะระยะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเคยแบบพอลงมือ เจริสติจริงจังเสร็จล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยๆมักไปเกิดไม่ได้นะมันจะวางไว้ว่าไงใจลอยแล้วรู้ไหมไม่หัดรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมไปอีกแล้วห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้พราะฉะนั้นไม่ต้องห้ามนะไม่ต้องห้ามจะเผลอันใจมันจะเผลอก็ห้ามไม่ได้ ไม่ได้ฝึกห้ามแต่ฝึกให้ดูไปเรื one, ่อยๆให้เห็นว่ามันเปลี zy, ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้เข้าใจความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกบังคับมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราพอเห็นความจริงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะสักยัติที่จะขาดสักยัติที่เป็นความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจคือตัวเราเดี๋ยเรามานั่งรู้นั่งสังเกตในที่สุดเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา แต่ปายะทิศผีก็จะขาดใจรอยแล้วรู้ไหมเห็นไม่เรียนได้เร็วนะบอกแล้วยิ่งไม่เคยเรียนนะเรียนง่ายคนที่เคยฝึกไม่เคยฝึกนี่มีจุดเด่นจุดใด้ต่างกันพวกที่เคยฝึกนะจะแก้ยากหรืนมากฝึกสมาธิแต่พอจเจริญสติเป็แล้วจะขยันเหมนคนที่ไม่เคยฝึกนะจะเรียนง่ายมากเลยเพราะเหมือน ใจที่ว่างตาวาไม่มีอะไรมาก่อนแต่มันจะที่เกียจะที่เกียจ ด, ดูขยันนะขยันแล้วจะมีความสุขเยอะอีกหน่อยใครมันมาคิดอะไรข้างๆเราเราก็รู้ทันหมด น, นะนีหลอกเราไม่ได้อะแ <c oughs> ม้หนีไปคิดอีกลนะห้ามไม่ได้ไม่ฝึกเพื่อห้ามแต่ฝึกเพื่อจะรู้ไวๆว่าหนีไปแล้ว คุณตักมีอะไรไหมคุณตักแคนไอนฟังลูกเดียว <c oughs> ใครจะถามอะไรเชิญนะ เ, นนเรื่องะ อ, ไองะไรนะใช่ใช่ ก็ใช่ทั้งสองงานนะคืออันแรกก็รู้ข้างนอกเนี้ยเกิดดับไปถึงจุดหนึ่งจิตมันเดินวิปัสสนาขึ้นเองดั้นก็เห็นไปอย่างนั้นจริงๆอย่างการเห็นเกิดดับเนี่ยทีแรกไม่ได้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไม่ได้ขนาดนี้จะซ้ําแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นแบบว่าตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันยังไม่เห็นว่าเมื่อกี้ดับนะเพราะดูไม่ทัน เห็นแต่ว่าขนาดนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสมาาัมัชนญาณยังไม่ถึงขั้นที่เห็นเกิดดับเกิดดับจะเรียกอุทยพยญาณที่เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับวับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดั บ, บ, บ, ดบเห็นแต่นี้จะเห็นเหมือนสองงานที่ยังไม่เกี่ยวกันไม่ต่อกันแต่ว่าเห็นตรงนี้บ่อยๆต่อไปพอสภาวะอะไรแปดปลอมเข้ามาเนี้ยรู้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาว่าสติมันรู้เองมันจะเห็นในตัวนี้ การที่โปลขึ้นมาเนี่ยนะจิตกำลังหลงอยู่เสร็จแล้วพอจิตไปรู้เนี่ยเป็นจิตคนละตัวกันแล้ ว, ลวไอ้จิตตัวหลงนั่นดับไปแล้วจะเห็นขาดวับแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้จะเข้าตัววิปัสนาจริงๆแต่ว่าเดินวิปัสนาจริงๆไม่นานหรอกจับต้นทางให้ได้ อย่างตอนนี้เห็นว่าขณะนี้กับเมื่อคี้ไม่เหมือนกันตอนนี้กับเมื่อคี้ไม่เหมือนกันเห็นอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอมตมงนี้ความเผลอเกิดขึ้นเผลอเกิดขึ้นช่วงหนึ่งตอนเผลอเนี่ยรู้ไม่ได้เพราะว่าเผลอเป็นอกุศลจะมีสติไม่ได้พอเผลอไปช่วงหนึ่งเกิดสติขึ้นมาเนี่ยอ้จิตอกุศลจิตเผลอดับไปแล้วจ่เห็นเลยขาดวัดไปเกิดตื่นขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมานะเนี่ยเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาขาด ผาดช่วงอย่างกันเลยเพะฉนั้นฝึก่็ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยทันเองอะ่ะลงปัจจุบันเองมันยังไม่เห็นอนัตตานะยังเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นญาณที่สี่ เรืนะ่องอุทยพยัญานูน่กนกว่าจะไปเห็นอนัตตาจริงๆที่สังขารู้เบิกขายานเลยนะคือต้องสามารถเห็นเกิดดับจนกระทั่งจิตเป็นกลางต่อความเกิดดับพอจิตเป็นกลางต่อความเกิดดับจะเห็นเลยความเกิดดับไม่ใช่เราเรียกเห็นอนาาัตตาแต่ถ้ายังเห็นเกิดดับเกิดดับยังต้องอยู่ที่เกิดดับเนีนะ่ยังไม่เห็นอนาาัตตา แต่ว่าจุดสำคัญอยู่ตรงที่เห็นนี่แหละเห็นได้่อยมันพัฒนาเองมันคนละยานกันเวลาขั้น อย่ไปสนใจเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไม่มีใครไปเห็นเกิดดับในอัปปนาสมาธิอ่ะในลานธรมหลวงพ่อยังไม่เห็นมีใครได้อัปปนาเลยนะคุยกันเรื่องเรื่องเ็นอ่างนั้นแหละนะเวลาไปอ่านนะอ่านกระทู้เหมือนพระอรหันต์คุยกัน คือมีบางคนน้านัดมาเจอตัวเหมืออยากเจอสมัยยังไม่ได้บวชอ่ะไปเจอแล้วต้องถามหาใช่เหรอใช่ในคนนี้เหรอยังไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยนะโอ้โหเขียนวิจิตพิสดารคือการจะเห็นไตรลกักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะมันจะเห็นจริงๆเนี่ยจิตต้องเป็นกลางต่อสังขารแล้ว จิตเป็นกลางกับสังขารนี่จะเห็นไตรักณ์ในจิตยังไม่เป็นกลางยังไม่เห็นเกะยังไม่ยอมรับด้วยแล้วก็วิปัสนาทนะ่เาจเจริญกันในคณิกาสมาธนะิอย่างถ้าทำฌานก่อนในขณะที่เดินฌานอยู่จะไม่มานั่งคิดเรื่องวิปัสสนานะแต่พอจิตถอนออกจากอพินาสมาธิมาอนะาจจะมาอยู่ในอุปจาระในอะไรนี้ถอยออกมาแล้ว แจะระลึกได้ถึงองค์ฌานที่เพิ่งดับไปโอ้เมื่อกี้มีปีตินะแล้วปีติดับไปแล้วขณะนี้ไม่มีแล้วเนี่จะเห็นความเกิดแล้วก็ดับนี่เป็นวิธีเดินวิปัสสนาของพวกได้ฌานที่เดินย้อนหลังเข้าฌานก่อนคิดมีปีติออกจากฌานมาเห็นว่าปีติดับไปแล้วะจิตมีความสุขออกจากฌานมาเห็นว่าความสุขดับไปแล้วแต่ว่าคนที่เดิน วิปัสนาในฌานได้ก็มีแต่ส่วนมากจะไม่ใช่ปุถุชนจะเป็นพวกพระอริยะที่ชํานาญในวิปัสนาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างพวกพระอริยะเนี่ยที่ไม่ใช่พระอราหารันต์ไม่ใช่พระอราหันต์ไม่ใช่พระนาคาอะไรเนี้ยเป็นพระโสดาสกตาคาอะไรพวกนี้จะเกิดตายไปรับเข้าอารูปไปเกิดในเป็นอรูปภปลมเนี่ยพวกนี้จะไปเดินวิปัสนาต่อได้ เพราะว่าเขาทําเป็นอยู่แล้วคิดเขาทําเป็นอยู่แล้วแต่ชาวลานทําเลยทําไม่ได้หรอกนะทำไม่ไ ด, ไได้ชาวลานทําคุยเล่นได้นะเถียงเถียงเยงกันเอาเป็นเอาตายแนละ้ <c oughs> มันก็แบบตา บ, บอดดูคนตา บ, บอดมีอะไรพิลึกพิลึกเยอะเี่ยสอนวิปัสสนาในฝันเี้ยโอ้ตาย ต, ตื่นตื่นยังวิปัสนาไม่ได้เลยอยู่เป็นวิปัสนาในฝันคิดกันสนุกสนุกไปบางทีก็พยากรเงี้ยคนนั้นชั้นนั้นชั้นนี้พยากรณเงี่ยเสร็จแล้วก็พากันมาที่นี่มามรณภาพที่นี่อ่ะพระดาติหลายหลายคุยกันสักพักเดียวว่าอ้าวนี่ผมยังไม่มีสติเลยเหรอเนี่ย เออไม่มีเลยนะผมก็ไม่ใช่พราอริยะสิคิดเอาเองเนี่ยนะไม่ต้องพยากรณ น, นะไม่มีสติเลยเป็นพราอริยะอะไรรู้ตัวเขาไม่เป็นเพมามาเมล็ภาพเยอะแล้วหลายองค์นะถึงอนาคาก็มี <c oughs> คือพามาหลวงพ่อก็ไม่เถียงด้วยนะว่าได้ไม่ได้เพราะเราไม่มีหน้าที่พยากรณ์ เราสาวกไม่มีหน้าที่พยากรมรดผลของใครได้แค่คุยเรื่องเจริญสติเนี่ยพอเขารู้จักสตินะเขาก็รู้เองอ่ะมีเรื่อยๆนะสาริยะชุม<笑><笑><笑><笑>้มจุมเห็นไหมเผลอละ่วนะตอนนี้รู้รู้ไม่เผลอดับไปล้เนี้ยตอนนี้มันรู้อย่างเนี้ยน ะ, ะเรียกว่าเป็นสัมมัสนญาณ คือเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เพราะว่าขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเรามาพอสมมติว่าโทสะเกิดสติเกิดทันปั๊บลงไปนี้จะเห็นโทสะจิตที่เป็นอกุศลนั้นขาดกระบ้นไปเลยลกลายเป็นจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเข้านามรูปปริเอ๊มเข้าอะไรอุทยพยายาน นีเบื้องต้นแล้วก็หัดแยกรูปนามเรียกนามรูปอริเฉตยานหัดแยกก่อนว่าอันนี้กายอันนี้ใจอันนี้จิตอันนี้เจตสิกความโกรธก็ไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่กายนะนี่หัดแยกแยกเสร็จแล้วก็มาเฝ้ารู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตจะเห็นแต่ละตัวเกิดระดับเกิดระดับ ทีแรกก็เห็นว่าตอนนี้กับตะกี้มันไม่เหมือนกันอย่าท่านั่งของเราตอนนี้กับท่านั่งตะ ก, กี้ก็ไม่เหมือนกันรูปไม่เที่ยงจะเห็นอย่างนี้ต่อมาพอร่างกายไหวเนี่ยจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถจะเห็นเลยจิตมันอยากเปลี่ยนมันนั่งเมื่อยแล้วจิตมันจะขยับจิตมันตกลงใจให้เปลี่ยนอิริยาบถในร่างกายจะเคลื่อนรูปเก่าจะดับรูปใหม่เกิดเนี่ยจะเข้าอุทยาัญญายานคือเห็นทัน ดีแลตามไปก่อนตามเห็นไว้ก่อนจะเห็นว่าเมื่อกี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันประมามจะเห็นทันพอเห็นทันเนี่ยเข้าวิปัสสนาได้แต่การเห็นจิตนี่จะไม่เหมือนการเห็นรูปนะรูปเห็นตอนเคลื่อนอย่างนี้ได้แต่จิตเนี่ยเราจะใช้จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงก่อนอย่าจิตโกรธเกิดขึ้นจิตโกรธจะรู้ว่าจิตโกรธเนี่ยรู้ไม่ได้ว่าจิตโกรธเป็นอากูศโตจิตนะมีจิตที่มีสติขึ้นมารู้ทันว่าจิต เมื่อกี้โกรธเราดับไปแล้วแล้วก็จิตที่มันมีสตินี่ก็ยังไม่รู้ตัวเองมีจิตที่มีสติีตัวรู้ว่าอ้อเมื่อกี้เนี้ยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรินมจะรู้ไล่หลังก็เรียกว่าปัจจุบันสันสติคือการต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบั น, นไม่ให้หนีวิคิดมีวิคิดก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตเขาจะไปเรียกความเคยชิน นี่เราเรียนจกกนกระทั่งเห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อห้ามให้ได้เพื่อบังคับให้ได้แต่เข้ารู้ลงไปจนกระทั่งโอ้อห้ามไม่ได้เข้าใจความจริงก็ปล่อยวางตรงที่เห็นว่าห้ามไม่ได้นั่นแหละเห็นอนัตตาเห็นไหมไม่ใช่เห็นตอนที่มันเกิดดับใช่นไหมแต่กว่าปัญญาจะแก่กล้าจะรู้ว่าโอ้มันห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไตร ล, ลักษณ์ตรงนี้เกิดทีหลนหนังหรอกไม่ใช่มาเกิดทีเดียวกันนะ พวกที่ว่าเกิดทีเดียวกันนะพวกไม่ได้ภาวนาอยู่มันจะไปเห็นได้โอ้โหมันก็เห็นเกิดดับไปแล้วเกิดดับจนกรนทั่งจัดเกณฑ์เลยอย่างแต่เดิมเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาดับไปโกรธขึ้นมาดับเอาวันนี้โกรธแล้วไม่ดับรู้แล้วยังไม่ยอมดับอีกทำไมนะหาทางดับใหญ่ดับได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยยังไม่เข้าใจ ทำไปเรื่อยเลยวันหนึ่งเกิดความเข้าใจว่าโอ้ทำทั้งหมดเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เห็นใจรักเละนะม่เห็นทีหลังหนอไม่ได้เห็นขณะเดียวเอานะพอนะเรียนมากเดี๋ยวจิตใจเสียหมด